เกิดเป็นพระเถระท่านจะยอมทำหรือครับอ่าก็มีพระเถระหลายรูปที่ทําที่ที่ทำนะคือไม่ทําก็ต้องทําอ่าไม่ทําก็มีโทษอ่ะแต่ก็ถ้าถ้าบอกว่าถ้าไม่ทําถ้าเป็นอรัตชีจริงๆก็ไม่ทําแต่ถ้าหากท่านเป็นรัชชีเนี่ยท่านก็ต้องทำนะถ้าถ้าเป็นรัชชีนะคือถ้ามีเฮรโอตปะก็ต้องทํำยังไงก็ต้องทําถึงบวชมาแล้วหกสิพรรษาหกสพรรษาเท่ากัอายุแป ก็นับหนึ่งใหม่ไปเลยก็ปฏิบัติจนตายคานั่นแหละมันทำยังไงได้มันผิดพลาดมาแล้วอ่ะมันมันเป็นพระ อ, องค์บัญญัติไว้อย่างนั้นน่ะเห็นไหมแล้วก็หมู่พระภิกษุที่ไม่ได้ศึกษาตอนหลังมาศึกษานี่ก็รู้สึกเนี่ยโหฉันไม่ค่อยได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่ที่รู้จักเนี่ยนะบวชเข้ามาไม่ได้ศึกษาสองปีสามปีสีป่ปีห้าปีเนี่ยพอมาศึกษาตอนหลังเนี่ยเหงื่อแตกกันเกือบไม่ใช่เกือบทุกองเลย เนะดือดร้อนใจกันเป็นแทบๆแต่ถ้าไม่เรียนรู้นะไม่เรียนพระวินยัยไม่เรียนอะไรก็สบายๆไปวันๆหนึ่งเดินเียอาดเอยดอาอดอาดูเหมือนเทพ น, น่าดูเลยพอมาศึกษาเข้าใจจริงๆเอาโหเงินเนี่ยแตกพลักๆเลยนะยิ้มไม่ค่อยออกเลยอยิ่งใครพูดถึงเรื่องศีลมากเท่าไหร่ไม่มันเสียดแทงหัวใจเหลือเกินบางองค์เนี่ยน้ำตาไหลนั่นเองพวกนี้ทุกขาปฏิปทาทั้งนั้นเลยทชาคนคอมเมนต์นี่ว่าสึกออกไปหลายลายรูปแล้ครับที่นี่<อ>พระวินยัยศึกษาวินัยก็หลายองค์ก็ อันนั้นที่ที่ว่าศึกไปนั้นก็คือเนื่องจากตีความเนื่องจากปัญหาการตีความแต่ที่ที่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเป็นลักษณะของการศึกษาแล้วก็คือตัวที่ตัวเองเคยทําผิดพลาดมาที่บวชมาก็ครูอาจารย์เป็นต้นเนี่ยนะท่านไม่ได้แนะนําจะโทษครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้นะเราไปอยู่กับท่านเองไงท่านไม่ได้ไปขอมาให้เราไปอยู่ด้วยสักหน่อยนะเราไปขออยู่กับท่านเองเราจะโทษท่านก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความผิดโดยถ่ายเดียวเพาเราไม่รู้จักครบคน เนนพราะฉะนั้นคนที่ศีลศีลเนี่ยจึงเป็นอุปนิสัยแห่งวิชาสามคือการระลึกได้เพราะฉะคนที่รักษาศีลดีมันตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองตลอดเลยนะตรวจสอบพฤติกรรมตรวจสอบคําพูดทั้งหมดเลยนะถ้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนพระราหุูให้ตรวจวันละสามครั้งโดยซ้ําไปมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีเพราะฉะนั้นในอภินิหารปัจเจวคคณธรรมมาสูตรเนี่ยนะเป็นพระสูตรที่ออกมาในศรัทธามากก็บอกว่า บรรพชีตเนี่ยควรพิจารณาเนืองๆสิบอย่างด้วยกันเ้าเนียงก็บอกว่าบัตรนี้เรามีเพศต่างจากเครือข่าแล้วนะก็ทบทวนเลยนะเส้นผมก็เหมือนใครบ้าง น, นนะเครื่องแต่งกายก็เหมือนใครบ้างเป็นต้นเนี่ยเพรา ะ, ะเมื่อเส้นผมเครื่องแต่งกายหลักข้อปฏิบัติศีลธรรมด้านอื่นๆก็มีแตกต่างจากคนทั้งหมดในโลกนเนี่ยดังนั้นเรามีเพศต่างจากครือข่าแล้วข้อสองชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อือน่นเห็นไหม ชีวิตตินซีชีวติตรูปเนี่ยนะอยู่ด้วยคนอื่นทั้งนั้นเลยแล้วก็ไล่ดูนะตั้งกระ บ, บวชเข้ามาเนี่ยชีวิตเนื่องด้วยคนอื่นหมดเลยผ้าทุกชิ้นเป็นของทายกมาว่าไงทายกแล้วว่าผู้ให้เป็นของผู้ให้ทั้งหมดเลยนะอาหารทุกมือเป็นของชาวบ้านเ้าหมดเลยถ้าบวชสิบปีนะถ้าฉันวันละสองมือเนี่ยเท่ากับฉันประมาณกี่ครั้งประมาณเจ็ดพันครั้งแล้วมันข้าวเจ็ดพันมือเนี่ยนะของชาวบ้านทั้งหมดเลย เสื้อผ้ากี่ครั้งที่หลับที่นอนกี่หนกี่ที่เนี่ยนะค่าใช้จ่ายทุกชนิดเป็นของคนอื่นเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นทั้งหมดข้อสามเขาบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าอากับปัจจัยยาอย่างอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งไปกว่า น, นี้มีอีกนะ น, นะกิริยามารยาทไม่ใช่อยู่แค่นี้นะต้องพัฒนา ม, มากขึ้นเพราะฉะนั้นปีที่แล้วกับปีนี้ปีนี้ต้องสํารวมกว่าปีที่แล้ว ถ้าหากว่าลดกว่าปีที่แล้วนี่แสดงว่าผิดพลาดนะครันอันนี้ข้อสามข้อสี่ก็บอกว่าบารรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าตัวเราเองติเตียน ต, ต, ตัวเองโดยศีลได้หรือไม่เห็นไหมเอากุศลศีลทั้งหมดที่เรียนมาเนี่ยนะพลิกทีรณาแล้วโจดตัวเองเอามาโจดตัวเองอะติเตียน ต, ตัวเองได้ไหมถ้าผิดพลาดมาให้โอวา่าตักเตือนตนด้วยตนเป็นตน้นได้ไหมข้อห้าเขาบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า ท่านผู้รู้นะผู้เป็นวินยูชนใคร่ครวนแล้วต hmm. ิเต well, ียนเราโดยศีลได้หรือไม่เขาเอากุศลธรรมกุศลศีลเป็นต้นมาติเตียนมาตักเตือนมาแนะนําเราเนี่ยรับได้ไหมข้อหกเขาบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทุกชนิดเหมือนกันเลยทุกทั้งหมดเนี่ยนะเราต้องจากหมดเลยจากอารมณ์ภายนอกก่อนอย่าว่าภายนอกเลยในตัวก็ต้องจากนะจากทุกอย่างที่มีในตัวนะ ตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยจากหมดเลยพันตาเนี่ยวันนี้ก็ต้องเสื่อมกับวันที่แล้วอีกใช่ไหมหูก็ต้องไม่ดีเท่าปีที่แล้วนะคุณบิญชูนะมันก็ต้องค่อยๆพังไปด้วยนั่นแหละมันทุกๆเรื่องอั่นแหละมันค่อยๆจากไปเรื่อยพันเราต้องจากของที่เรารักเราชอบใจทั้งหมดและข้อเจ็ดเขาบอกว่ามันประชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของของตน กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี online, us, ่ยเป็นของตัวเราเองนะเราพูดอะไรก็เป็นของเราหมดอะเราทําอะไรก็ของเราเราคิดอะไรก็ของเราทั้งหมดอันกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่นะตัวเจตนานั้นอะเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทํากรรมอันใดไว้กัลยาณ์นางวาปาประกังวาดีหรือชั่วก็ตามบุญหรือบาปเรานั่นแหละจะรับด้วยตัวของเราเองนะ อย่างมาพูดวันนี้เนี่ยพูดด้วยเจตนาอย่างไรก็ช่างจะต้องรับด้วยตัวเองนะอันนี้ข้อที่ที่เจ็ดนะข้อแปดบอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรายินดีในเรือนว่างหรือไม่เรายินดีในที่สงัดหรือเปล่าเนี่ยนะเรียกว่าจินตนาการในความคิดเนี่ยนะภาพออกงานหรือว่าภาพหลีกเล่เนี่ยอยู่ในความคิดมากยินดีแบบไหน ก็ต้องทบทวนตัวเองบ่อยๆข้อ9บอกว่าบรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้กําลังทำอะไรอยู่นี่นะพฤติกรรมคาพูดแต่ละวันนี่ทำอะไรอยู่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันและข้อสุดท้ายบอกว่าคุณวิเศษที่เป็นยานาัศนะอันพิเศษเนี่ยนะที่เป็นอุตริมนุสธรรมมีหรืออย่า ง, ออางที่จะไม่เก้อเขินเมื่อบรรพชิตถามในการภายหลัง ถ้าเกิดจะจุติปฏิสนธิขณะนี้เนี่ยนะถ้าจะตายขณะนี้นะโอ้โหพระคุณเจ้าบวชมาสิบปีแล้วมีอะไรมั่งได้ฌานปฐมฌาน ท, ทานุติยะฌานตรติยะฌานจตุตทฌานอากาสาบิญยาอากินเนวะโสดาสกธาค า, านาคารหันว่างเปล่าเลยนะนัตถิกินจิยังไงวะไม่เหมือนในชาดกนะชาดกก็บอกว่านัตถิกินจิหน่อยหนึ่งก็ไม่มีะนะก็คืออาจารย์บอกว่าข้าพเจ้านั้นได้อากินจัญญายตนะเหมือนกันเถอะ ว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเนี่ยหมายถึงอากินจัญยายแต่นะแต่ถ้าข้าพเจ้าตอบว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีก็คือคุณธรรมสักอย่างไม่มีเลยเหมืงนั้นหน่อยหนึ่งไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่อากินนะเหมือนกันมันบวชมากี่ปีแล้วถามมาได้อะไรมั่งเหมือนกันคือพอพูดถึงตรงนี้แหละทําให้นึกถึงพระภิกษุรูปหนึ่งอายุประมาณสักเกือบสี่สิบละเกือบสี่สิเนี่ยท่านจบรัฐศาสตร์แล้วจึงมาบวชนะพเพื่อนท่านก็เป็นพวก นายอำเภอเป็นอะไรกันไปหมดเนี่ยเขบอกว่าผมเนี่ยบวชมาเกือบยี่สิบปีแล้วเขาว่าผมมันยังไม่ได้อะไรเลยเขาเพื่อนก็เป็นสารวัตรเป็นนายอำเภอเป็นอะไรกันไปหมดผมนี่ยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยผมแก้ปัญหาเสร็จผมจะขึ้นป่าแล้วให้มันตายกันไปข้างหนึ่งว่นงั้นท่านกระจายใจเด็ดหน้าดูวันเห็นกันกันนะแต่ก็ศึกษาก็ไม่ค่อยมา ก, มา ก, ก น, นักนะแต่ว่าจะดตายอย่างเดียว ตายสมอย่างนะทำไมรู้อะไรเนี่ยได้ตายสมความปานะ่าเถนาจริงๆนะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็ต้องมันทบทวนตัวเองจริงๆนะเพราะฉะนั้นมั น, ม, นมันมาตัวเปล่าเหมือนกันนะแต่ก็ลงทุนด้วยชีวิตแต่ก็น่าคิดว่าพระองค์เนี่ยสูตรที่พระองค์ตักเตือนพระพิสุบ่อยมากก็คือพระสูตรที่ที่ตัดถึงไอ้ไม้ฟืนเนี่ยนะ ฟืนเผาผีนะที่ว่าอยู่ในป่าชาเนี่ยหัวท้ายเนี่ยไฟไหม้อะไฟไหม้ผีเนี่ยมันไหม้อยู่หัวท้ายตรงกลางเปื่อนอุจระสุนักก็บอกว่าเอาทำประโยชน์เป็นเครื่องเรือนในป่าก็ไม่ได้เป็นเครื่องใช้ไปทำรั้วตามเลือกสวนไร่นากระท่อมเคียงนาอะไรทำไม่ได้สักอย่างจะเอามาทำเครื่องเรือนในบ้านก็ไม่ได้จะไปทำหุงหุงข้าวต้มแกงก็ไม่มีใครทนะเขบอกว่า ผู้ที่บวชมาแล้วก็ลักษณะนั้นนะถ้าหากว่าบวชเข้ามาแล้วเนี่ยประโยชน์ทางโลกเสียแล้วละ่ะเนี่ยประโยชน์ทางโลกอย่างไรก็หมดแล้วละ่ะแล้วถ้าหากว่าคุณธรรมทางพระไม่ได้ก็เหมือนกับหัวท้ายเนี่ยถูกไฟไหมไ้ใช่ไหมไม่มีอะไรสักอย่างละแต่ถ้าจิตใจเป็นไปกับอกุศลวิตตกตรงกลางเปื่อนอุจจาระนั่นนะม น, นมีโทษในหนักนั้น เนั้นผู้ที่ปล่อยให้อาคุศ ร, รวิตกวนเวียนในความคิดมากๆก็วา่าแมลงวันมันบินว่อนเลยนะทำตัวเป็นทำตัวเป็นของเน่าเข้ววามงั้นพะพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุเธออย่าทําตัวเป็นของเน่าเข้ามามีนะกระตุ้วิยะสูตรนี่กล่าวไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตําหนิติเตียนพระภิกษุค่อนข้างมากถ้าถ้าไม่ไม่ไม่เจริญงอกงามในกุศลธรรมแต่ถ้าหากว่าเขาจาักเจริญในงอกงามในกุศลธรรมพระองค์ก็ประคอง นะเธอจงเพียรพยายามในธรรมวินัยนี่แหละเพราะว่าผู้ที่มีความเพียรพยายามในธรรมวินยัยสามารถทําที่สุดแห่งกองทุกได้เนี่ยนะพระองค์ก็ให้กําลังใจพระพุทธเจ้านั้นทั้งคู่ทั้งเป่ากันเลก็อบอกว่าถ้าพวกที่อาคุศลเกิดมากๆเป็นต้นเนี่ยพระองค์ก็แสดงธรรมเทศนาแบบหนักๆใช่ไหมเขาบอกว่าปุริสธรรมสารถิเนี่ยพระองค์นี่รู้วิธีฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า อันนะั้บางทีเนี่ยต้องเอาเรื่องทุกโทษภัยต่างๆเนี่ยนํามาสอนเนี่ยนะมากล่าวว่าถ้ากายกรรมมีโทษนี้ให้ผลอย่างนี้นะวจีกรรมมีโทษมีผลอย่างนี้มนโนกรรมมีโทษมีผลอย่างนี้อันนะั้นถ้าไม่มีโทษให้ผลอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันพระองค์นี่รู้การรู้เวลารู้ที่จะฝึกว่างั้นเพะของเรานี้เอาธรรมะแบบไหนมาฝึกดิกระศรัทธาสูตรไหนนั่นแหละธรรมะเป็นเครื่องฝึกเราอ่ะนะไม่ใช่โอ้โห พสูตรเนี่ยนะเกือบสองหมืนสูตรเนี่ยนะนึกหาสักสูตรไม่ได้นี่ก็แสดงว่าแหมเต็มทีแ ล, ล้วล่ะเจริญกรุณาให้มากๆากแล้วนะพศูดทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบสองหมืนสูตรเนี่ยนะหาสักสูตดจําไม่ได้เลยนี่ก็แสดงว่าเรานี่น่าดูเหมือนกันนะือสังเวชตัวเองได้เลยนะทุกขปะปเรตาพุการณ์เว่างั้นไนงะยินท่องเ้วยด้วยเขาบอกมีทุกเป็นเบื้องหน้าแลนะ้วเขาว่างั้นนะ มีทุกอย่างลงแล้วสูตรที่สั้นที่สุดและจําง่ายที่สุดในอังคุตรนิกายปัญจการนิบาตคือวาจาสูตรนะฮะพระพุทธอคทรงตัดองค์ของวาจาไว้ว่าหนึ่งต้องเป็นความจริงสองเป็นประโยชน์สามต้องเป็นที่รักสีจะต้องรู้กาลละรู้จังหวะแล้วก็จะต้องพูดวาจาด้วยเมตตาในนี่นะมีห้าองค์เนี่ยสั้นที่สุดแล้วครับแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดครับ เนี่ยวาจาสูญในอังคุติการปัญจาการนิบาศเนี่ยน ะ, ะสั้นที่สุดแล้วก็จาเป็นที่สุดด้วยแต่ก็ไม่ง่ายนะครับที่จะปฏิบัติตามนั้นด้วยนะครับโดยเฉพาะอาวาจานั้นนะซึ่งต้องประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะครับหรือว่าวาจาอ่อนหวานนะฮะนะวาจาวาจาที่เป็นสัตว์ไม่ยากเท่าไหร่วาจาที่เป็นประโยชน์ก็ไม่ยากเท่าไหร่กาละชักยากขึ้นเผลอเรื่อย พูดผิดกาละแล้วก็ได้รับผลเสียอะไรนี่นะฮะส่วนวาจาที่ไพเราะ อ, อ่อนหวานนี่นะก็กยากขึ้นไปโดยเฉพาะวาจาที่ประกอบไปด้วยเมตานี่ไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยเพราะนั้นถ้าใครต้นใจนะสูตรนี้สั้นที่สุดเจนพานในจำนวนนะหมื่นสูตรสั้นนิดเดียว อ, อังคุตรนิกายนี่ก็เก้าพันกระสูตรนะ 9557พันร้อยสูตรนับตั้งแต่หมวด1จนถึงหมวด11เนี่ยนะหนึ่งนะถ้าหากว่าพระภิกษุเนี่ยนะถ้าศีลดีทําให้หนึ่งนะระลึกตรวจสอบพฤติกรรมอาการตามระลึกแบบนี้บ่อยๆเนี่ยเป็นเหตุแห่งปุเพนิวาสานุสติญาณเป็นอุปนิสัยที่สําคัญแห่งปุเพนิวาสานุสติญาณฉะนั้น ส, สติเนี่ยเป็นตัวที่ทําหน้าที่ระลึกตรวจสอบพฤติกรรมและกายกรรม คือสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ทําให้ระลึกใช่ไหมตัวทําให้ระลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้ได้นานแล้วคือตรวจสอบกายกรรมวจีกรรมของตัวเองทั้งหมดว่าถูกต้องกับหลักธรรมไหม น, นั่นเป็นกิจของสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นในขณะที่ตรวจสอบศีลแบบนี้บ่อยๆ่อเขาเท่ากับฝึกฝนอุปนิสัยแห่งไม่ใช่ฝึกฝนอุปนิสัยแห่งปุพเพนิวาสานุสติญาณก็จะระลึกชาติได้แล้วก็ต่อไปนะเมื่อ ตรวจสอบพฤติกรรมคำพูดมากๆแล้วก็จะรู้ว่าอะไรมีโทษไม่มีโทษใช่ไหมกรรมมศกตาจะมั่นขึ้นในสิ่งสิ่งเดียวกันเนี่ยเจอสิ่งนี้ปั๊บเรามีกายกรรมแบบนี้มีวจีกรรมแบบนี้มีมโนกรรมแบบนี้กรรมอันนี้จะให้ผลอย่างไรนะก็จะตรวจสอบพวกนี้บ่อยๆมากๆขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทากรรมแบบนี้ผลแห่งกรรมอันนี้จะให้อะไร อันเวลาเห็นใครทํากรรมอะไรก็อย่างถึงกรรมและผลของกรรมบ่อยๆก็อย่างถึงว่าคนนี้พฤติกรรมแบบนี้ตายแล้วให้ผลแบบนี้ตายแล้วจะไปเกิดที่นี้เพราะฉะนั้นนี้เป็นอุปนิสัยแห่งจุตูปปาตยานเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายเพราะคนที่มีศีลก็คือคนที่ตรวจสอบเรื่องกายกรรมและคําพูดนะคนที่ตรวจสอบกายกรรมคําพูดก็สามารถอย่างถึงมโนกรรมกรรมเหล่านี้ให้ผลอย่างไรอันอาศัยศีนี่แหละเป็นเครื่องตรวจชําระ อันคนที่ศีลดีๆจะยังถึงสัตว์เกิดสัตว์ตายาพูดแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะคนลักษณะเนี่ยสมควรเกิดที่ไหนนะถ้าฝึกแบบนี้บ่อยๆก็พอเข้าใจอะไรไปตั้งเยอะแล้วแล้วก็พื้นฐานแห่งศี น, นี่อาสวะคยายานนะนะศีนดีก็เจริญสติปัฏฐานเป็นต้นก็สามารถที่จะทำอาสวะให้หมดสิ้นได้อันคุณธรรมที่จะทำให้ได้วิชาสามนั้นคือกุศลศีล น, นะมีความสาคัญมาก อ่าสินดีมากนะสาธุเห็นอันนี้สงนี่ก็โอ้สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วไหนนะวิชาที่หนึ่งนะปุเพนิวาสานุสติยานสองจุตูปปาตายานนะาอาสวัคยายานอาสวัคยายานก็คืออริยสัตว์นั่นเองนะการแทงตลอดอริยสัท์นั่นนะเรียกว่าอาสวัคยายาน อ่สตินะสติที่เกิดร่วมกับศีลไงสติตัวที่เกิดร่วมกับศีลเนี่ยนะเป็นโลปิยะเนี่ยนะเพราะสติที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกายกรรมและวจีกรรมที่เคยทำเคยพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่เคยไปทำอะไรมาที่ไหนเคยไปพูดกับใครมาอย่างไรเป็นต้นคำนั้นมีโทษไหมถ้ามีโทษทาไงถ้าสตินะกิจของเขาเนี่ยถ้ารู้ว่าอันนั้นมีโทษสมทานที่จะไม่ทาแบบนั้นอีกต่อไปถ้ารู้ว่ามี มีประโยชน์สมาทานเพื่อที่จะรักษาพอกทุน พ, พัฒนาให้มากขึ้นอันนั้นนั่นคือกิจของสติเนี่ยแล้ลืกตรวจสอบตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีอัธิศินดีเนี่ยนะกายกรรมกับวจีกรรมเนี่ยสะอาดนะสินมีความสะอาดเป็นอาการปรากฏอนนันคนมีศีลเป็นต้นดีเนี่ยเขาจะมีเมตตาวาจีกรรมเป็นต้นค่อนข้างมากเมตตากายกรรมเมตตาวาจีกกรรมเป็นต้นมากเนี่ยนะเพราะว่า จะพูดให้คนอื่นเขาหนักใจไปทําอะไรนะก็รู้ว่ามีมีประโยชน์แต่ถ้ารอเวลาอีกนิดหนึ่งเอา้าเขาก็สบายใจเพราะอย่าลืมนะคนที่ศีลดีๆเนี่ยสามารรักษาพระศาสนาได้คือคื อ, คอพระที่ทรงศีนี่อย่างเช่นนะพระที่เป็นประธานในการทําสังขยาานี่คือใครครั้งที่หนึ่งคือพระมหากระสปะพระมหากระสปะนี่นับเป็นพระที่มั่นคงในเรื่องศีลวัดเนี่ยนะทูดงก็คือเรื่องศีนนั่นแหละทูดงก็คือในนับในประเภทศีล ประธานแห่งการทำสังคยนาที่รวบรวมคตธรรมคำสอนจนถึงเราทุกวันองเรกพระมหากระสปะเป็นคนที่หนักแน่นในเรื่องศีลมากนะพระนนทเนี่ยที่เรียนมามากเกรงใจพระกระสปะที่สุดเลยนะพระกระสปะพูดกับพระนนทว่ากุมารวาทะอะเด็กคนนี้ช่างไม่รู้ประมาณใช่เหรอเป่าใช้คำนั้นเลยเนะแล้วก็ พระองค์ที่สองทีอ่องค์ที่สามที่เป็นประธานในการสังขายนาคือพระโมกขลีบุตรติสะเทระันนั้นก็แข่งครับในเรื่องศีลเป็นพิเศษอันพระที่ที่มั่นคงในเรื่องคุณธรรมคือกุศลศีลเนี่ยนะสามารถที่จะยังพระาศาสนาไว้ไดเนะ้เพราะฉะนั้นศีลเนี่ยถ้าอย่างในในพระวินยัยท่านบอกว่าวินัยนี่เป็นอายุของพระาศาสนานะ วินัยที่เตะศาสนาที่ตั้งวินโยนามศาสน า, าอายุมวินัยก็คือกุศลศีนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อพระวินัยยังอยู่ศาสนาชื่อว่ายังดำรงอยู่ชื่อว่าวินัยนั้นเป็นอายุของพระศาสนาเพราะฉะนั้นในการรักษากุศลศีลของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่พูดศาสนาโดยไกลเนี่ยนะถ้าเรากุศลศีลดีนะปริยัติศาสนาเราก็จะดีด้วยนะเวลาเราศึกษาพระธรรมคําสอนนี่เบานะ ถ้าวันนี้เราไปทําผิดอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยโหไปด่าใครมาสักโหสักครึ่งชั่วโมงเงี้ยนะไปโกรธใครมางุดงดแล้วนั่งอ่านพระไตรปิฎกดูสิปริยัติศาสนาเนี่ยแม่ไม่ง่ายเลยนะไม่อยากมา <laughs> <laughs> ถ้าหากว่าแม่โทรศัพทนี่เกิดร้ายแรงแล้วเกินเจริญพุทธคุณเนี่ยได้ไหมปฏิบัติศาสนาเนี่ยโห อ, อย่างอยากมากอยากมากเพราะฉะนั้น ศีลเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอายุของาศาสนาในตัวเราด้วยนะเราอย่าไปมองไกลามากนะักให้มองในตัวเองให้มากๆอย่าลืมว่าการที่เราสารักษาพระาศาสนาไว้ได้นะในลําพังในตัวเราก็นับว่ามีประโยชน์แล้วละ่ะมองมายังจําได้พระอาจารย์ท่านหนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้โหเขาก็เขาก็พูดคุยกันถึงาศาสนาเสื่อมแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ น, น, น, นนะท่านพูดท่านไม่พูดเหมือนคนอื่นท่านบอกว่าก็คุณทําตัวให้เป็นพระโสดาบันซะเขาบอกกัน ปฏิบัติให้เป็นวสุดาบัณศาสนาก็ไม่เสื่อมเท่านั้นแหละก็ว่างั้นเออพูดในเข้เข้าๆดีเหมือนกันของเรานี่ไปหาความเสื่อมความเจริญที่คนอื่นถ้าส่วนใหญ่นะถ้าเราไปเกิดสมัยพุทธกาลแล้วเราเท่าเดิมเนี่ยศาสนาเจริญก็ช่างเออเราก็ยังเท่าเดิมอยู่นั่นแหละถ้ามาเกิดยุคนี้ก็ทําตัวเท่าเดิมแหละเพรา ะ, ะนั้นเกิดยุคไหนาศาสนาก็ประโยชน์กับเราก็ไม่มากเท่าไหรน่นักนะเพรตะนถ้าเกิดยุคนี้ถ้าเราตั้งใจมั่นอยู่ในคําสอนสาศาสนาก็น่าจะยังไม่เสื่อมจาก จากเราก่อนนะคนอื่นเข้ามาด้วยกรรมของเขานะแต่เราก็จะไปด้วยกรรมของเราอะ่ะเพราะนั้นกรรมของเรานั่นแหละก็บอกประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประมาณนั้นเอาถ้าไฟไหม้บนศีรษะจะไปดับไฟใครก่อนวิ่งไปดับไฟหัวบนศีรษะคนอื่นก่อนนะโอ้โ ห, หสาทุกเก่งจริงๆคุณ ผ, ผู้เสียสละที่ยิ่งใหญ่มากกันนะไฟไหม้บนหัวรีบไปดับไฟบนหัวคนอื่นก่อนนี่ไม่เก่งมากเลยแต่น่าจะคนทั่วไปเขาจะไม่สารเสริญหรอก พราะอะไรเขาบอกอา้าวจะมาดับไฟบนหัวผมทําไมไฟบนหัวคุณก็ยังไหมอยู่เลยแบบนั้นเ้าจะตําหนิมาซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นหมอที่ป่วยๆเนี่ยนะรักษาคนไข้เนี่ยนะคนไข้คงไม่ค่อยยอมเท่าไหร่นะหมอนี่ก็ป่วยนอนสมอยู่นั่นแหละนะมาฉันจะรักษาให้อย่างเงีคนไข้องไัไม่กล้าเสี่ยงนะนะสำนวนโบราณก็บอกว่าศีรษะไม่ค่อยมีผมแล้วขายแต่ยาผมดกเลยนะมีใครซื้อแน่ยาชนิดนั้น นะวันนี้ก็เลยเวลาไปนิดนึงนะ